มีแบบอย่างถึงเรื่องแรงกรรมที่พอยกมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้ที่ทํากรรมกับสัตว์ไว้ให้สัตว์นั้นต้องทุกข์ทรมานจวนเจียนสิ้นชีวิตเขาก็ย่อมจะได้รับกรรมอย่างทุกข์ทรมานจวนเจียนสิ้นชีวิตเช่นสัตว์นั้นเหมือนกันเรื่องนี้มีอยู่ในคำภีรธรรมะปะทัตถกถาปัญจมภาคมีภิกษุหนุ่มเจ็ดรูปในพระพุทธศาสนาที่มาบวชเพราะ ศรัทธาเลื่อมใสเมื่อได้สดับคำสอนในพระพุทธศาสนาคือเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลพ่อออกพรรษาภิกษุทั้งเจ็ดรูปก็ปรารถนาจะไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีโดยลงเรือไปกับพ่อค้า ว, วา น, นิชแล้วก็ขึ้นฝั่งเดินไปสู่จุดหมายแต่ว่าพบขําเสียก่อนเมื่อใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีมวัดอยู่ด้วยภิกษุหนุ่มทั้งเจ็ด ไปขอเจ้าอาวาสพักแรมหนึ่งคืนรุ่งขึ้นจะเดินเท้าต่อไปเพื่อจะไปกราบพระพุทธเจ้าบังเอิญวัดนั้นไม่มีที่พอให้พักแต่เจ้าอาวาสก็เมตตาให้ลูกวัดไปจัดที่จัดทางให้พักในถ้ำใกล้วัดจัดเตียงเจ็ดเตียงให้นอนรูปละเตียงสะดวกสบายซึ่งพิะสุหนุ่มทั้งเจ็ดก็พึงพอใจที่จะได้หลับนอนอย่างสบายไม่ต้องหลับหลับตื่น ดังนั้นพอเข้าไปพักผ่อนหลับนอนในถ้ำก็นอนชนิดรวดเดียวสว่างเพราะว่าเดินทางมาไกลอ่อนเพลียรุ่งเช้าภิกษุรูปหนึ่งตื่นก่อนลุกจากเตียงออกจากถ้ำไปหานา้มล้างหน้าล้างตาแต่ปรากฏว่าปากถ้ำในมีหินก้อนใหญ่ปิดอยู่ออกไม่ได้ก็เลยปลุกภิกษุอีกขกรูปมาดูแล้วช่วยกันผลักดันก้อนหินนั้น ก, ก้อนหินก็ไม่ยอมขยับเ ย, ยื่อนแม้แต่น้อยผลักกันจนเหนื่อยแทบสิ้นแรง ก็ลงนั่งพักแล้วต่างก็คิดว่าที่มีหินมาปิดปากถ้ำคงจะเป็นเจตนาดีของเจ้าวาดัดเกรงจะมีภัยแก่พวกตัวจึงเกลิ้งหินปิดปากถ้ำเอาไว้สักครู่ทัานคงมาช่วยเอาหินออกให้แต่รอจนสายก็ไม่มีวีเววชักหุดหงิดงุ่นงานเมื่อไม่มีน้ำล้างหน้าบ้วนปากที่สำคัญก็คือไม่มีอาหารให้ขบฉันด้วยเมื่อถึงเวลาท้องก็ร้อง้วยความหิว กเลยพร้อมใจกันออกแรงผลักดันก้อนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่อีกครั้งหนึ่งขณะภิกษุทั้งเจ็ดสารวนกับการผลักหินที่ปิดประตูถ้ำออกฝ่ายเจ้าอาวาสก็จัดน้ําท่าพร้อมพัฒหารอย่างพิเศษรออยู่ที่วัดรอจนผิดสังเกตว่ไอ้ป่านนี้ทําไมภิกษุทั้งเจดยังไม่ออกจากถ้ำมาวัดสักทีสายมากแล้วก็เลยให้ภิกษุลูกวัดรูปหนึ่งไปที่ถ้ำนิมนต์ภิกษุทั้งเจดเพราะว่า อาจจะสําคัญผิดรอน้ํารอพัะตหารอยู่ในถ้ำก็ได้นะว่าอย่างนั้นภิกษุน์ที่ออกไปตามหายไปพักใหญ่ก็กระหืดกระหอบกลับมาแจ้งเจ้าวาดบอกว่าหลวงพ่อครับเ อ, อพระอาคันตุกะเหล่านั่นออกจากถ้าไม่ได้ครับเพราะว่ามีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งปิดประตูถ้าไว้ครับผมฮะก้อนหินอะไรอ่ะก้อนหินที่ไหนจะมาปิดปากถ้ำ หรือว่าพระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิดอันตรายก็ช่วยกันกริ้งก้อนหินมาปิดปากถ้ำไวยก่อนจะนอนแล้วกริ้งกลับให้เปิดไม่ได้ไปดูกันหน่อยสิยาวาสกับพระลูกวัดก็รีบไปที่ถ้านั้นด้วยความสงสัยพอไปถึงก็เห็นก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้าอยู่จริงๆก็ตะโกนถามพระทั้งเจ็ดในถ้ว่าเออท่านช่วยกันกลิ้งหินปิดไว้ก่อนจะนอนหรื อ, อยังไงท่าน พระในถ้าก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยก้อนหินมาปิดปากถ้าได้ยังไงจเจ้าวัดก็เลยบอกให้รอก่อนแล้วไปเกณฑ์พระลูกวัดกับคนในวัดทั้งหมดมาช่วยกันลากก้อนหินใหญ่นั้นให้พระภิกษุทั้งเจ็ดออกโดยตะโ ก, น, ะะกนบอกว่าเ อ, อท่านสาหธรรมิกในถ้ำนั่นนะพวกท่านอย่าได้น้อยใจไปเลยพวกเรามาช่วยท่านแล้วละ่ะท่านจะออกจากถ้าได้ในเดี๋ยวเนี้แต่ว่าขอแรงพวกท่านช่วยกันหน่อยคือพวกเราจะเอาเชือก ผู ก, ก้อนหินใหญ่แล้วจะดึงลากออกเวลาที่เราลากออกท่านทั้งหลายอยู่ข้างในก็จงร่วมแรงร่วมใจกันผลักจนเต็มกําลังเถอะด้วยวิธีนี้คงจะสําเร็จแน่ๆอะาวคอยฟังสัญญาณน้องของของขอ ง, ของราข้างนอกนะเสร็จแล้วเจว้าวาดจะให้สัญญาณคนทั้งหลายทั้งภายในภายนอกออกแรงพร้อมกันข้างในก็ผลักข้างนอกก็ดึงแต่ทุ่มเทแรงลงไปเท่าไหร่หินอัศจรรย์ก้อนนั้นก็ไม่ขยับขยื่อน ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเอหรือว่าแรงคนเรายังไม่พอคนน้อยไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเจ้าบ้านให้ช่วยขันฉุดเจ้าก้อนหินนี่ออกให้ได้เสร็จแล้วเจ้าวาดแม่กองใหญ่ก็รีบคลองจีวรเข้าไปในหมู่บ้านขอแรงชาวบ้านทั้งเจ็ดหมู่ให้มาช่วยกันออกแรงฉุดก้อนหินช่วยพระเจดรูปออกจากถ้าเอาบุญชาวบ้านก็พากันมาด้วยความยินยอมพร้อมใจแต่จนแล้วจนรอดก้อนหินใหญ่ก็ไม่ได้ขยับขยืขย้อนเลยแม้แต่น้อย ทั้งที่ผู้คนที่มาช่วยกันเนี่ยถึงเจ็ดหมู่บ้านจเาาจ้าวาดจะหมดปัญญาหันมหาหรืออุบาสกจะทำยังไงกันดีในโยมก็ต้องพยายามออกแรงฉุดมันไปอย่างนี้แหละครับพระเดชประคุณพระวิธีอื่นที่ดีกว่า น, นี้ไม่เห็นมีฉุดมันไปจนกว่าจะสำเร็จหากว่าเราไม่พยายามช่วยเหลือก็เท่ากับว่าปล่อยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายถึงความตายในธรรมมันเป็นเรื่องน่าอนาใจแล้วเกินละครับ เอบาปหนักเห็นจะตกอยู่กับอาตมาเพราะอาตมาเป็นผู้พาท่านเหล่านั้นเข้าไปพักในถ้ำเองโธ่เอ้ยไม่น่าเลยแล้วทั้งเจ้าว่าทั้งพระทั้งเนรและชาวบ้านทั้งเจ็ดบูบ้านก็พยายามออกแรงดึงก้อนหินที่ปิดปากถ้าอยู่ให้เปิดออกอีกเหนื่อยก็พักพอมีแรงก็ดึงใหม่ช่วยกันอย่างสุดกาลังวันแล้ววันเล่าจนล่วงไปครบหกวัน ตังก็ร้อนใจไม่ทราบว่าพระอคันธุกาในถ้ำทน้งเจ็ดรูปยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในถ้ำน่ะไม่มีน้ําไม่มีอาหารเสียงในถ้ากรองเงียบไปสามสี่วันแล้วทั้งเจ้าวาดทั้งพระทั้งเนนและชาวบ้านที่มาช่วยตังสารวนกันอยู่หน้าถ้ำนั่นแหละพอมีแรงก็ช่วยกันดึงก้อนหินพอหมดแรงก็นั่งพักกินนา้ากินท่าถึงเวลาอาหารของพระเนนท่านก็ฉันถึงเวลาอาหารชาวบ้านก็ร่วมวงกินกัน แม้ว่าจะเห็นใจพระภิกษุในถ้ำดิขาด น, น้ำขาดอาหารแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงในเมื่อไม่มีช่องจะสอดจะส่งอาหารและน้ำเข้าไปได้เลยและคืนวันที่เจ็ดนั่นเองขณะที่พระเนนจำวัดชาวบ้านหลับนอนพักผ่อนเอาแรงกันตามที่ของตัวนั้นก้อนหินมหัศจรรย์ที่ปิดปากถ้าอยู่ก็เคลื่อนตัวออกจากปากถ้เองแล้วกลิ้งไปยังที่อยู่เก่าของมันไม่กลถ้านัก โดยที่ไม่มีใครมาชักลากดึงให้เคลื่อนไปเลยเช้ามืดจเจ้าวาดพาพระเนรกับชาวบ้านมาช่วยกันลากดึงอีกพอเห็นปากถ้าเปิดโลง่งหินเจ้ากรรมก้อนนั้นไปสงบนิ่งอยู่ที่เดิมเพระมันก็แปลกใจว่าใครมาชักลากออกได้ท่านก็ไม่ได้พักสอบเรื่องราวให้เสียเวลาเพราะว่าห่วงพระทั้งเจ็ดในถ้ำมาหลายวันแล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านเร็วเอาพวกเราช่วยกันเร็วเข้าไปดูทีรู้ว่า พระภิกษุอาคันทุกะทั้งหลายเนะี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเออเอ๊ะใครนะนี่เป็นผู้ที่สามารถเอาก้อนหินใหญ่ออกจากประตูถ้ำได้เมื่อคืนนี้ไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครรู้ต่างก็เฮเข้าไปในถ้ำเพื่อช่วยภิกษุอาคันทุกะภาพที่เห็นก็น่าสลดสังเวชเหลือเกินภิกษุทั้งเจ็ดมีอาการกิริยาต่างกันบางรูปนอนหายใจระรวยรอความตายอยู่บนเตียง บางรูปอยู่ในท่าที่สอยเห็นว่าได้กระเสือกกระสนพยายามคลานมาแล้วก็สลบลงที่ใกล้ประตูถ้ำบางรูปก็แสดงกิริยาว่าขวนขวายจะขึ้นนอนบนเตียงแต่ไม่มีแรงจะขึ้นได้ก็นอนหายใจขแม่ลวขม่วอยู่ใกล้เตียงของตัวนั่นเองลักษณะของภิกษุทั้ง7จบ่งบอกถึงการได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสหิวโหวยอิดโรยจนสิ้นเรี่ยวแรง แม้จะหายใจก็ยังยากเพราะไม่ได้ฉันข้าวและน้ำมาตั้งเจ็ดวันเจ้าวาจึงให้ชาวบ้านช่วยกันหามร่างที่เย็นสิ้นใจของภิกษุทั้งหมดไปรักษาพยาบาลที่กุฏิท่านบำรุงด้วยข้าวปลาอาหารและน้ำอย่างบริบูรณ์เพียงไม่กี่วันภิกษุอคันตุกะทั้งเจ็ดก็กลับมีกำลังวังชาเป็นปกติเพราะว่ายังหนุ่มยางแน่นอยู่สภาพร่างกายฟื้นเร็วไม่เหมือนคนชารา ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ความเป็นมาของก้อนหินมหัศจรรย์นั้นว่ามันกลิ้งไปปิดปากถ้ำแล้วก็กลิ้งออกไปเองได้อย่างไงภิกษุผู้เป็นเสมือนหัวหน้ากลุ่มก็กราบลาจเจ้าอาวาสผู้เมตตาเออข้าแต่พระเดชพระคุณกระผมทั้งปวงนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีในคราวนี้เหตุที่เกิดขึ้นแก่พวกผมในครั้งนี้นับว่าแปลกประหลาดอยู่เหมือนกัน คนอื่นใครเราจะรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพวกก้าผมขอกราบอําลาท่านอาจารย์ในวันนี้เพื่อจะไปถึงที่เฝ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วครับอ่ะนิมนต์นท่านทุกรูปนะตามอัธยาศัยของท่านเถอะขอให้ท่านนังปวงจนเดินทางไปโดยสวัสดีอ่าเดี๋ยวกับผมฝากถวายบังคมไปยังแทบเบื้องบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็แล้วกันเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็อยากจะเน้นให้เห็นว่าวิบากกรรมของแต่ละคนที่ได้รับไม่มีใครล่วงรู้ได้ที่เป็นผลเช่นนั้นมาจากเหตุอะไรในทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าผลทั้งหลายมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลทั้งเหตุและผลอุดมอยู่ในตัวของมันเองเหมือนไม้ขีดกับไฟเราจะเห็นว่าไม้ขีดคือเหตุให้เกิ ด, กดผลคือไฟ จุดไม่ขีดเมื่อใดก็เกิดไฟเมื่อนั้นไม่มีใครจุดไม่ขีดมันก็ไม่มีไฟเหมือนกับความดีกับความชั่วสมบูรณ์พร้อมอยู่ในตัวของมันเองไม่มีใครทําเหตุอย่างความดีหรือความชั่วก็ไม่เกิดผลต้องความดีความชั่วเมื่อมีผู้ไปกระทําขึ้นในเหตุใดผลนั้นก็เกิดผู้กระทําจึงต้องรับผลต้องการกระทําอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แม้กระทั่งก้อนหินมหัศจรรย์ที่ว่ามันเคลื่อนตัวปิดปากถ้าเองและเคลื่อนออกจากถ้าเอง ไม่มีใครไปฉุดลากผลักดันซึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อมองเจาะลงไปถึงกรรมอันหมายถึงการกระทําไม่มีผู้กระทํากรรมก็คงเป็นกรรมที่ไม่ส่งผลอะไรกับใครต่อเมื่อมีผู้กระทํานั่นแหละผลจึงจะเกิดก้อนหินก็เช่นเดียวกับไม่ขีดถ้าไม่มีสิ่งใดมาผลักดันก็ไม่เคลื่อนไม่มีใครมาจุดก็ไม่เกิดไฟแล้วอะไรละ่ะที่มาผลักดันก้อนหินนั้นให้ปิดและเปิดได้ คำตอบนั้นก็คือเมื่อพิกูุนหนุ่มทั้งเจ็ดเดินทางไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วรอจนถึงเวลาอันควรก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันหลังจากกราบทูลเรื่องอื่นๆจบก็ทูลถามถึงประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างเดินทางถึงถ้ำอัศจรรย์ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงมีก้อนหินกลิ้งมาปิดปากถ้ำอยู่ถึงหกวันเจ็ดคืนอดข้าวอดน้ำแทบจะสิ้นใจครับ เด pues mm hmm. ี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อภิกษุหนุ่มทั้งเจ็ดได้ทูลถามถึงเรื่องก้อนหินที่กลิ้งมาปิดปากถ้ำอยู่ถึงหกวันเจ็ดคืนให้ต้องอดน้ำอดข้าวแทบเจ็ดสิ้นใจตาย องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระยานอันวิเศษสามารถทราบอดีตชาติของสัตว์ทั้งปวงสดับแล้วก็มีพุทธดำรัสว่าเหตุที่เกิดแก่เธอทั้งหลายในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยอำนาจผลแห่งกรรมที่พวกเธอได้ทำไว้ในอดีตแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาตรัสเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอดีตชาติภิกษุทั้งเจดว่าครั้งนั้นมีเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนเป็นเพื่อนกัน ทากันต้อนโคของตนออกไปกินหญ้าแห่งละเจ็ดวันโดยไม่ซ้ำที่หมุนเวียนเปลี่ยนที่ให้โคกินหญ้าไปเรื่อยคราวหนึ่งเด็กทั้งเจ็นั้นต้อนโคไปกินหญ้าในทุ่งกว้างแห่งหนึ่งปล่อยให้โคกินหญ้าแล้วก็มาจับกลุ่มเล่นกันสนุกสนานตามประษาเด็กพอค่ำก็ต้อนโคกลับบ้านเช้าก็ต้อนมาใหม่อย่างที่แห่งนั้นได้หกวันแล้ววันที่เจ็ดวันสุดท้ายที่รุ่งขึ้นกะจะต้อนโคไปกินในทุ่งอื่นอีก หลังจากปล่อยคูแล้วก็เกาะกลุ่มเล่นสนุกกันอย่างเคยวันที่เจ็ดวันสุดท้ายนั้นมีเฮียซึ่งเป็นสัตว์คล้ายจะระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งผ่านมาพวกเด็กเห็นเข้าก็นึกสนุกพากันไล่ต้อนหน้าต้อนหลังเพื่อจะจับเป็นเหตุให้เฮียตกใจกลัววิ่งหนีอุตลุดในที่สุดกนน็หนีเข้าไปอยู่ในโพรงใต้จอมปลวกใหญ่จอมปลวกหนึ่งเด็กที่เป็นหัวโจกก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่า ไอ้วันนี้เย็นแล้วพวกเราจะจับเพี้ยให้ได้อย่างใจเราในเห็นจะลำบากว่ะมันมืดแล้วทางที่ดีพวกเราควรจะหาใบไม้มาอุดรูขังจเจ้าเพี้ยใหญ่ไว้ในจอมปลวกนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจับมันใหม่พวกเพื่อนก็เห็นดีด้วยก็ช่วยกันไปหา ก, กิ่งไม้ใบไม้มายัดปากรูใต้จอมปลวกขังเพี้ยใหญ่ไว้ใต้นั้นโดยที่เี้ยไม่มีทางจะดันออกมาได้พออุดรูเสร็จได้เวลาก็ต้อนฝูงโคกลับบ้านกัน รุ่งขึ้นเด็กทั้งเจ็ดก็ต้อนฝูงโคไปหากินยังทุ่งอื่นตามที่เคยทํามาจนเวลาผ่านไปครบเจ็ดวันก็ต้อนโคกลับมายังทุ่งหญ้าใกล้ที่ปิดรูขังเหี้ยไว้ใต้จอมปลวกในเช้าวันที่แปดพอผ่านจอมปลวกพวกเด็กทั้งเจ็ดก็นึกขึ้นได้หลังจากปล่อยโคกินหญ้าแล้วก็พากันไปที่จอมปลวกนั้นเสร็จแล้วก็พูดกันบอกว่าเอ๊ะพวกเราปิดรูจอมปลวกขังเหี้ยไว้ตอนนี้เหี้ยมันจะเป็นไงมั่งเนี่ยตั้งหลายวันนะ่ะ ต่างกูรีกูจอช่วยกันดึงกิ่งไม้ใบไม้ที่อุดรูขังไว้ออกพอเห็นช่องจอมปลวกเปิดออกแล้วเฮียก็หมดความกลัวภยัยใดๆเพราะว่าอัดอั้นอยู่แต่ในรูไม่ได้กินอะไรเลยแม้แต่น้ำมาตั้งเจ็ดวันก็รีบคลานออกมาจากรูด้วยเรียวแรงที่เหลืออยู่น้อยนิดเต็มทีเพราะว่าอดอาหารอดน้ำนั่นเองเด็กทั้งเจ็ดเห็นสภาพของเฮียใหญ่ที่มีกายสั่นผอมโซ อ่าพร้อมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะว่าขาดอาหารก็เกิดความสงสารยิ่งมองเห็นมันมองพวกตัวโดวยสายตาเราห้อยมันก็จะร้องขอให้ไว้ชีวิตมันก็ยิ่งบังเกิดความการุณาสงสารก็เลยบอกกันว่าเฮ้ยเราอย่าไปปฏิทุสรายมันเลยมันได้รับทุกเวทนาอดอาหารมาตั้งนานแล้วมีอาการจวนจะตายอย่างนี้ก็เพราะเราเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกันพยาบาลมันเถอะ เสร็จแล้วเด็กทั้งเจ็ดก็ช่วยกันนวดเว้นไปทั่วตัวเหี้ยพยาบาลก็ไปตามภาษาเด็กที่ไม่มีความรู้อะไรต่อก็มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อเลือดลมในตัวของสัตว์เคราะหร้ายนั้นฉีดแรงกระปรี้กระเป่าขึ้นท้ายสุดก็ลูบหลังมันโอ้ยเหี้ยเอ้ยขอเจ้าจงมีอายุยืนเที่ยวไปหากินตามยาถากรรมของเจ้าต่อไปเถอะเสร็จแล้วก็พากันเปิดทางกระตุ้นให้สัตว์เคราะหร้ายตัวนั้นคลานหายเข้าป่าไป ต่อมาเด็กเลี้ยงโคทั้งเจ็ดซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทํากรรมต่างๆร่วมกันเมื่อถึงคราวตายไปได้กลับมาเกิดเป็นคนในโลกมนุษย์อีกครั้งเป็นเพื่อนรักกันเหมือนกับอดีตชาติทั้งเจดคนโดยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเติบใหญ่เป็นหนุ่มมีโอกาสได้สดับพระทำคําสอนของพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใสพากันสละโลกบวชเป็นพระภิกษุ กรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติที่ขังเฮี้ยใหญ่ในรูใต้จอมปลวกก็ติดตามสนองทําให้เข้าไปติดอยู่ในถ้ำดังกล่าวถึงเจ็ดวันภิกษุทั้งเจ็ดได้ฟังเรื่องราวในอดีตชาติของตัวจากพระโอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ให้สลดหดหูใจในกรรมที่ตัวได้กระทํามาด้วยความสุขสนโฉดเขา่าเบาปัญญาตามประษาเด็กเมื่อพระพุทธองค์ทรงยกอดีตชาติมาให้พิกูจหนุ่มทั้งเจ็ดได้ทราบแล้ว พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบุคคลที่ทำบาปกรรมไว้การที่ว่าจะพ้นจากบาปกรรมนั้นเป็นอันไม่มีถ้าหากจะมีบุคคลใดใครผู้หนึ่งซึ่งได้ทำบาปกรรมไว้แล้วและคิดว่าเราจะพ้นจากบาปกรรมที่ทำเราไวา้เราทำไว้ด้วยอุบายวิธีนี้แล้วจึงขึ้นไปสถิตอยู่บนอากาศก็ดีหรือจะหนีลงไปหลบซ่อนอยู่ในมหาสมุทรที่มีความลึกมากมายขนาดไหนก็ตาม หรือจะหนีเขาไปแอบซ่อนอยู่ในซอกเขาอันมิดชิดก็ดีการที่ว่าเขาจะพ้นจากบาปกรรมที่ตัวทําไ้นั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะทั่วทั้งพื้นปฐพีนี้จะหาสถานที่สักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สำหรับหลบบาปกรรมที่ทําไว้ก็ไม่มีเลยพระองค์ทรงมีพุทธวิธีในการแนะให้พุทธศาสนิกชนทั้งปวงลดเวีไทยจากกรรมไม่ดีที่ก่อไวในอดีต ด้วยการละชั่วทำดีชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาฆราวาสก็ให้ดำรงตนอยู่ในทานศีลภาวนานักบวชก็ให้เคร่งในศีลสมาธิปัญญาพุทธวิธีนี้เมื่อทำให้มากและสม่ำเสมอแล้วก็จะมีน้ำหนักพอทวงดุลแห่งบาปเวรที่ตัวรับอยู่ได้ที่หนักก็จะบรรเทาที่เบาก็จะคลายหายไปพระภิกษุหนุ่มทั้งเจ็ดผู้มีอดีตชาติทำกรรมขังสัตว์ใหญ่ไว้ในโพรงจอมปลวก พอตายไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์บวชพระแล้วถือศีลกินเพนไม่ใช่บุคคลธรรมดากรรมนั้นยังตามสนองให้ติดในถ้ำเท่ากับวันเวลาที่ตัวทากษัตริย์ไว้โดยวิบากกรรมนั่นเองที่ไปผลักดันหินให้กลิ้งปิดปากถาม้มเจ้าอาวาสพระเนนชาวบ้านทั้งเจ็ดหมู่บ้านมาชุดลากก็ไม่ขยับขยื้อนแต่พออกุศลกรรมนั้นหมด กุศลที่ตัวทำโดยช่วยปฐมพยาบาลสัตว์ที่ตัวกักขังให้แข็งแรงคลานกลับเข้าป่าได้ตามมาสนองก้อนหินที่ปิดปากถ้าก็เคลื่อนกลิ้งกลับไปเองจึงรอดตายมาพบพระพุทธเจ้าพระภิกษุหนุ่มทั้งเจ็ดเมื่อได้สดับพุทธีกาจากพระโอษฐ์ก็บังเกิดความสังเวชใจใครจะทำลายกรรมที่ตัวสร้างไว้ตามพุทธวิธีจึงตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างวิปัสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานโดยลาดับ ในแบบอนาปานาสติอย่างที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ที่สุดภิษุหนุ่มทั้งเจ็ดก็ตัดความเป็นโคตรปุทุชนและอย่างลงสู่อริยภูมิมีโสดาบันโล ก, กุตระภูมิเป็นต้นซึ่งมีหวังว่าจะพ้นจากกรรมทั้งปวงอย่างเด็ดขาดในอนาคตการเดี๋ยวผมมีนิทานเล่าให้ฟังสักเรื่อง มีช้างป่าโขลงหนึ่งจากโขลงเป็นช้างสารที่มีปัญญามีพลังกาลังมากมายร่างกายใหญ่โตก ว, ว่าตัวอื่นมีช้างลูกโขลงและตัวเมียตัวผู้ตัวเล็กตัวน้อยนี่เป็นบริวารรวมกันหลายสิบเชือกโขลงช้างนี้อาศัยอยู่ในป่าลึกแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตลอดมาครั้นต่อมาก็มีนางช้างตัวหนึ่งตกลูกออกมาเป็นเพศผู้ แม่ช้างนี่ห่วงลูกมันมากพะลูกช้างเติบโตขึ้นเป็นช้างน้อยไว่น่ารักมันก็กลายเป็นที่รักที่เอ็นดูของบรรดาแม่ช้างพ่อช้างในโขลงนั้นช้างน้อยก็จะเล่นสุกซนเกะกะระรานตัวอื่นยังไงบรรดาช้างใหญ่ก็ให้อภัยด้วยความเอ็นดูแล้วก็ช่วยกันคุ้มครองช้างน้อยตัวนั้นเป็นอย่างดีการเล่นสุกซนระรานตัวอื่นของช้างน้อยมันก็ทําย่งเคยชินกลายเป็นนิสัยฝังลึกยากที่จะแก้ไข ประกอบกับได้รับการเอาอกเอาใจจากบรรดาช้างใหญ่ในโขลงนิสัยเกเรก็ค่อยๆปรากฏขึ้นความเกเรชอบระรานรังแกตัวอื่นก็ได้ถูกสะสมมากขึ้นตามวัยของมันจนกลายเป็นช้างหนุ่มเกเรเอาแต่ใจไม่ค่อยเชื่อฟังแม่ช้างพ่อช้างบางครั้งช้างจากโขลงเตือนมันก็ไม่สนใจยิ่งมันเป็นช้างหนุ่มที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าช้างหลายเชือกในโขลงเดียวกัน ก็ยิ่งทำให้มันลาพองใจมากขึ้นมันคิดว่าตัวมันโตพอที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งใครดังนั้นวันๆก็มักจะหาเรื่องทะเลาะกับช้างตัวอื่นเพื่อประลองกําลังจนเป็นที่เอือมระอาของฝูงช้างในโขลงจนช้างจากโขลงทนดูความเกเรของมันไม่ไหวก็เลยขับออกจากโขลงให้ไปอยู่ตัวเดียวด้วยเหตุดังกล่าวก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าช้างเกเรตัวนี้มาก มันโกรธ จ, จนคุ้มคลั่งวิ่งมาตั้งเข้าป่าไปตามลําพังไปพบเสือดาวตัวหนึ่งก็ท้าสู้กับเสือดาวตัวนั้นเป็นการระบายอารมณ์โกรธเสือดาวนักล่าก็รับคําท้าเหมือนกันพอเริ่มต่อสู้กันเสือดาวก็กระโดดขึ้นหลังคาบคอช้างอย่างว่องไวช้างเกเรก็ใช้งวงเกี่ยวจับเสือฟาดลงพื้นด้วยพะ ล, ะลังกาลังก็ใช้เท้าหน้าเหยียบจนเสือตาย พอเสือตายช้างเกเรก็ย่ามใจมากมันก็ร้องตะโกนหาคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆพร้อมกับใช้งวงหักกิ่งไม้ฟาดซ้ายฟาดขวาถอนต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยโยนทิ้งระเนระนาดมันประกาศว่ามันจะกลับไปเป็นหัวหน้าขโขลงให้ทุกตัวยอมรับมันให้ได้ขณะที่ช้างเกเรร้องตะโกนไปก็ทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยแตกตื่นตกใจรีบหนีไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากสัตว์บางตัวหนีไม่ทัน อย่างนกกำลังกกลูกน้อยอยู่ในรังไก่ป่ากำลังฟักไข่อยู่ใต้พุ่มไม้เต่าคลานช้าก็ถูกช้างเกเรอารวาจนสิน้นมันก็ร้องตะโกนบอกสัตว์เล็กสัตว์น้อยบอกถ้าไม่อยากตายให้หลีกไปเร็วๆถ้าไม่อยากตายหลีกไปไวๆฝูงมดแดงกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งทำรังหลายรังบนพุ่มไม้แล้วก็ออกไข่เต็มรัง ฝูงมดแดงเห็นช้างชัยงวงหักกิ่งไม้พุ่มไม้แล้วก็ฟาดซ้ายฟาดขวาเดินตรงมาพวกมันก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่รังแล้วก็ไข่ของมันพวกมันก็ช่วยกันตะโกนบอกช้างพี่ช้างจ๋าอย่าเดินมาทางนี้นะอย่าเดินมาทางนี้เดี๋ยวจะถูกรังของพวกข้ารังของข้ามีไข่แล้วก็ลูกเต็มรังเลยช้างเกเรได้ยินมดแดงบอกให้ไปทางอื่นมันก็บอกข้าไม่เคยลีกทางให้ใครมีแต่คนอื่นหลีกทางให้ข้าถ้าไม่อยากตาย ลีกไปไวๆว่าแล้วช้างเกเรก็ตรงเขาดึงกิ่งไม้ที่มีรังมดแดงอยู่ขึ้นฟาดหน้าฟาดหลังฟาดซ้ายฟาดขวาจนพุ่มไม้ที่มีรังมดแดงอยู่แหลกรานไปหมดขณะที่ช้างเกเรจับกิ่งไม้ที่มีรังมดแดงขึ้นฟาดรังมดแดงก็แตกกระจายกลางอากาศตัวมดแดงก็ปลิวไปทุกทิศทุกทางปลิวลงหลังช้างนหลายพันหลายหมื่นตัวมดแดงก็ตกลงตรงไหนก็กัดตรงนั้น พวกมันพากันไต่เข้าไปกัดในรูหูกัดขอบตาแล้วก็เยี่ยวใส่ให้แสบตามดแดงจำนวนมากไต่เข้าไปกัดในรูจมูกช้างเกเรหมดปัญญาที่จะเอามดแดงออกจากรูหูรูจมูกก็แสบตาได้แต่ร้องลั่นป่าวิ่งหน้าวิ่งหลังหลับตาวิ่งจะไปมุดน้ำในหนองด้วยความรีบร้อนละมองไม่ค่อยเห็นทางก็ตกลงมาได้บโครนขึ้นไม่ได้มันก็ได้แต่ชูงงขึ้นขวา ร้องลั่นขอความช่วยเหลือด้วยน้ําตานองหน้ามันติดอยู่ในโครนนั้นหลายวันจนร่างกายพายผอมอ่อนแรงเพราะว่ามดแดงตัวเล็กๆนั่นแหล ะ, ะเผอิญขโขลงช้างฝูงที่แม่มันอยู่ด้วยผ่านมาดื่มน้ําที่หนองนั้นได้ยินเสียงช้างร้องขอความช่วยเหลือแม่ช้างก็จําเสียงลูกได้ก็วิ่งมาดูก่อนตัวอื่นเห็นช้างเกเรติดอยู่ในโครนแม่ช้างก็ไม่สามารถจะช่วยได้ก็วิ่งกลับไปขอร้องช้างจากหลงให้มาช่วยเหลือ ช้างจากโขลงมาดูแล้วก็พูดบอกว่าถ้าหากว่าเจ้ารับปากก็จะเลิกเกเรแล้วยอมเชื่อฟังถึงจะช่วยถ้าไม่รับปากจะปล่อยไว้อย่างนี้ช้างเกเรกลัวตายสำนึกได้ว่าการหลงตัวเองมบบมีกำลังมากเอาแต่ใจไม่ยอมฟังคำเตือนของตัวอื่นเป็นความคิดและการกระทําที่ช้างตัวอื่นไม่ยอมรับก็เลยรับปากอย่างแข็งขันว่าจะไม่ประพฤติอย่างเดิมอีกโดยมีช้างในโขลงเป็นพยาน ช้างจากหลวงก็บอกให้ช้างตัวที่มีกําลังมากช่วยกันดันต้นไม้ใหญ่ให้ล้มพาดลงไปแล้วก็บอกให้ช้างเกเรใช้งวงจับดึงตัวเองขึ้นมานับแต่นั้นช้างตัวนั้นก็เลิกเกเรและไม่กล้าเข้าใกล้รังมดแดงอีกเลยเป็นช้างสารก็อย่างแพ้มดแดงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพลาจากกันด้วยภาษิต ท, ที่ว่าเมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็ ม, มืดมิดมองอะไร ก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับ